ต่างจากธรรมชาติที่เป็นกลางๆไม่มีจิตใจไม่มีความคิดร้ายหรือคิดดีความเป็นไปของธรรมชาตินั้นบางคราวก็อ่อนโยนละมุนละมัยอำ่ำนวยประโยชน์ทำให้มนุษย์พอใจและมีความสุขบางคราวก็ร้ายรุนแรงเป็นโทษก่อความทุกข์แก่มนุษย์แต่จะเป็นไปทางใดก็ตามธรรมชาติก็ไม่มีเจตนา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 ซึ่งถูกธรรมชาติที่ไม่มีเจตนาคอยบีบคั้นมากอยู่แล้วมนุษย์เราซึ่งมีเจตนาหันเหาการกระทำของตนได้จึงไม่ควรมาเบียดเบียนเพิ่มทุกข์แก่กันและกันอีกเราควรใช้เจตนานั้นในทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันพรเบาบรรเทาทุกกันมีเมตตาการุณากระทำต่อกันด้วยความรักความปรารถนาดีมีความตั้งใจดีต่อกัน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 ก็คือจะต้องใช้พรหมวิหารให้ครบทั้งสี่ข้อคือนอกจากมีความรักความปรารถนาดีด้วยเมตตาเป็นหลักยืนพื้นอยู่แล้วก็มีคารุณาสงสารช่วยเหลือเมื่อเด็กได้รับถุกมีมุทิตาแสดงความยอมรับหรือชื่นชมยินดีเมื่อเด็กได้ความสุขหรือทำการสำเร็จโดยชอบธรรมหรือโดยเหตุดยผลและมีอุเบกขารู้จักวางทีเฉย เฝ้าดูหรือวางใจเป็นกลางเมื่อเด็กทําการตามแนวเหตุผลกำลังรับผิดชอบตอนเองได้อยู่หรือเมื่อมีเหตุที่เด็กควรได้รับผิดชอบต่อผลแห่งการกระทำของตอนโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคืออุเบกขานี่แหละเป็นองค์ธรรมจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เมตตากลายเป็นเครื่องปิดกั้นบทบังปัญญา